มาเรียนรู้คำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำอาไปปฏิบัติในการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้อดสิ้นไปสร้างความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดการที่เราจะ ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างต่อเนื่องเราต้องคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่การถามตัวเองอย่างนี้จะได้กระตุ้นความขยันหมั่นเพียร ที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นไปตามลำดับพอวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันนี้ก็หมายถึงชีวิตของเราก็จะสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆื่อความแก่ความเจ็บความตาย ก็จะเข้ามาใกล้ตัวเราขึ้นไปอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่รีบศึกษาไม่รีบปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาอาจจะไม่พอเพียงาะกาที่เราจะรู้สึกตัวอีกทีเราก็อาจจะกลายเป็นคนแก่ไปแล้ว หรือกลายเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนที่ใกล้จะตายขึ้นมาก็ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาที่ร่างกายของเรายัางสมบูรณ์ยังแข็งแรงมีกำลังวังชาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ เราจรึงไม่ควรประมาทไม่ควรลืมภารกิจหน้าที่ที่พระเจ้าเจ้าได้ทรงมอบให้กับพวกเรามาปฏิบัติความเวลาผ่านไปผ่านไปความแก่ผามเจ็บผ่านตายก็เข้ามาใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังตัดภบตัดชาติ ตัดการเวียนว่ายตายเกิดหรือเรากำลังสะสมภพชาติสะสมการเวียนว่ายตายเกิดให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเกิดอยู่กับการกระทำของเราในขณะนี้ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่ตัดภพตัดชาติ หรือกำลังสะสมเพิ่มภพชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ อ, อะไรเป็นการกระทำที่ทำให้เราสะสมภพชาติขึ้นไปเรื่อยๆก็คือการกระทาตามความอยากต่างๆของใจเช่นความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆตามะตัณหา ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากว่ามอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากให้มีคนเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญอยากหาความสุขจากรูปเสียงกินรสต่างๆเรียกว่าภาวะตัณหาและ่ี่ภาวะตัณหา ความอยากไม่ให้สิ่งที่เรามีอยู่นั้นเสื่อมไปเช่นไม่อยากให้ราบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกิจรดนั้นเสื่อมไปหมดไปความอยากให้ไม่ร่างกายไม่ให้ร่างกายของเราแก่ไม่ให้ร่างกายของเราเจ็บทายได้ต่วยไม่ให้ร่างกายของเราตายไปความอยากเหล่านี้มันจะทำให้เรา ต้องคอยดิ้นรนพยายามที่จะหาความสุขตัดความทุกข์ที่จะเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่ยิ่งทำแบบนี้ก็ยิ่งทำให้เราติดกับการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอย่างไรร่างกายของเรา มันก็หนีไม่ค้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้แต่ความอยากที่เรายังอยา ก, ยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิธธธธธ่นรสผลสภาพชนิดต่างๆความอยากนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอยู่ในใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจกับร่างกายนี้เป็นคนละสวนกัน เป็นคนระคนกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้มีความอยากหาความสุขอยากราบยศสนเสริญจากรูเสียงกลิ่นนกโผทพชชนิดต่างๆใจจึงต้องมีร่างกายแต่ร่างกายที่ใจได้มาเป็นร่างกายชั่วคราวอเมื่อด้อยู่ไปตลอด พอถึงเวลาที่นั่งกายแก่เจ็บตายใจก็ทิ้งนั่งกายอันเก่าแล้วก็ไปหารั่งกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปได้นั่งกายอันใหม่ที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอีกเหมือนกันนี่คือความการเวียนว่าตายเกิดของใจ ร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นผู้ที่ไปเกิดใหม่ร่างกายนี้มันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอตายมันก็สูญฉลายแยกแยกธาตุสี่ออกจากกันธาตุสี่ที่เป็นผู้มาสร้างร่างกายเป็นส่วนผสมเป็นส่วนประกอบของร่างกายเมื่อร่างกายหยุดหายใจ ธาตุทั้งสี่นี้ก็จะแยกตัวออกจากกันธาตุลมก็แยกออกไปธาตุไฟก็แยกออกไปธาตุน้ำก็แยกออกไปเหลือแต่ธาตุดินถ้าไปเผาก็เหลือแต่เศษกระดูกถ้าไปฝังก็เหลือแต่โคงกระดูกร่างกายไม่ได้เป็นผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดใหม่นี้คือใจ ผู้รู้ผู้คิดผู้หลงกับการหาความสุขจากราบยศดสนเส ร, ริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผัวตภะชนิดต่างๆยังทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นการเกิดแต่ละครั้งนี้ก็ก็เป็นความทุกข์เพราะว่าเมื่อน่างกายต้องเจอกับทุกข์ภัยต่างๆ ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นที่ใจด้วยเกิดขึ้นที่ร่างกายแล้วก็ส่งผลไปสู่ความทุกข์ที่ใจความทุกข์อันนี้แหละเป็นความทุกข์ที่มันไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดตราบใดถ้ายังมีการกระทาตามความอยากต่าง วิธีที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆของใจนี้หมดสิ้นไปก็จาเป็นที่จะต้องมาหยุดความอยากต่างๆความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ ส, สร้างครบสร้างชาติให้กับใจไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าต้องการที่จะลบลดภพชาติให้น้อยลงก็ต้องลดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้น้อยลงไป จนกระทั้งไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจการจะไปเกิดก็จะไม่มีการเกิดติกต่อไปเพราะผู้ที่ผลักดันให้ไปเกิดคือความอยากนั้นได้ถูกกําจัดด้วยการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ นี่ก็คือเราต้องดูว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังทําตามความอยากต่างๆอยู่หรือเรากําลังมาหยุดความอยากต่างโดยการปฏิบัติตามที่พระเจ้าส่งสอนให้ปฏิบัติสอนให้เราทําบุญทําทานสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราภาวนาการปฏิบัติ ทั้งสามนี่แหละเป็นการมาหยุดความอยากต่างๆเพื่อที่จะทําให้ใจไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ต้องมาทุกกับการพัาดพาดจากสิ่งต่างๆที่รักหรือบุคคลต่างๆที่รักที่ชอบ เพาะโลกนี้มันเป็นโลกอนิจจังเป็นของชื่อกาไม่มีอะไรที่จะอยู่ในโลกนี้ไปอย่างยั่งยืนถาวรไม่มีมันสิ้นสุดมีก็มีอยู่ธาตุธาตุทั้งสี่ทั้งที่จะอยู่ในโลกนี้ไปไเรื่อยๆก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุาลมธาตุไฟแต่เวลาธาตุดินน้ำลมไฟมารวมตัวกัน เป็นร่างกายของมนุษย์ก <Hob art> ็ด <synagogue> ีร่างกายของสัตว์ในกระฉานก็ดีมันก็จะรวมตัวกันชั่วคราวแล้ววันหนึ่งมันก็จะแยกออกจากกันไปร่างกายของมนุษย์หรร่างกายของสัตว์ในกระฉานก็จะหายไปหรือที่เราเรียกว่าตายไปก็มีเท่านี้แหละเรื่องของชีวิตของพวกเรา มาหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆก็เลยจาเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นผู้รับใช้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งร่างกายให้ไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆ เพราะถ้าใจไม่มีร่างกายใจก็ไม่สามารถไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้นั่นเองใจจึงจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ร่างกายก็เป็นเครื่องมือแบบชั่วคราวไม่เป็นเครื่องมือที่ยั่งยืนถาวรในร่างกายที่ต้องมีความแก่ความเจ็บความตาย ที่จะมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการหาความสุขต่างๆแล้วก็จะเป็นผู้ที่มาขอยสร้างความทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองเราจึงไม่ควรที่จะหลงไหลไปกับการหาความสุขจากาลาภยศสารเสริญจากรูกเสียงกล็รถโพธภชนิดต่างๆ ควที่จะรีบมายุติหยุดความอยากต่างๆเสียจะดีกว่าการหยุดความอยากต่างๆได้นี่มันเป็นมีผลที่ดี mm hmm. ผลนั้นแรกก็คือหยุดการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. หยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก mm hmm. เวลาเกิดความอยากขึ้นมานิใจเราจะไม่เป็นปกติใจเราจะรู้สึก หงนดหงิดนำคาร์รู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าวัยจะรู้สึก<ม>อไม่สบายใจใน<ม>การที่จะทําให้ความรู้สึกเหล่านี้หายไปที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่ไปทําตามความอยากซึ่งถ้าได้ไปทําตามความอยากได้สิ่งที่อยากได้อื ความรู้สึกเศร้าสอยหงอยเหงาความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจความรู้สึกไม่สบายใจก็หายไปชั่อกาวแต่ไม่นานความอยากได้ก็ผล่ขึ้นมาใหม่เพราะสิ่งที่ได้มาได้เสศษได้สัมผัสมันหายไปหมดแล้วมันเป็นท้องชั่อกาวก็จะเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาก็ต้องไปเด้นลนหาใหม่อยู่เรื่อยๆ ใจก็เลยอยู่ไม่เป็นสุข<ม>อยู่ไม่นิ่งอยู่อยู่เฉยๆไม่เป็น<ม>เวลาต้องอยู่เฉยๆแล้วรู้สึกชีวิตไม่มีรสชาติชีวิตขาดขาดอะไรไปต้องไปมีอะไรมาให้เสพให้สัมผัสอยู่เรื่อยๆ<ม>เวลาไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสก็เกิดความเครียดเกิดความหุดหงิดขึ้นมาเกิดความเศร้าใจขึ้นมาม นี่คือโทษของความอยากที่มันจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มันแสดงตัวขึ้นมาและวิธีที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนถาวรก็คือต้องไม่ทําตามความอยากต้องหยุดความอยากมันอยากให้เราทําอะไรเราก็อยากไปทําตามที่มันสั่งตอนช่วงที่มันยังสั่งเราอยู่แล้วเราสู้กับมันนี่มันจะเกิดความต่อสู้กันระวาง ระหว่างความอยากกับความไม่อยากตอนนั้นก็จะมีความทุกข์ทรมานพอสมควรเพราะเป็นเหมือนการต่อเป็นเหมือนการต่อสู้ของสองฝ่ายแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะถ้าความอยากชนะมันสามารถดึงให้เราไปทำตามความอยากได้ความเครียนในใจก็จะหายไปแต่จะหายแบบชั่วคราว เดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่แต่ถ้าเราถ้าการหยุดความอยากการไม่ทำตามความอยากนี่เป็นผู้ชนะทำให้ความอยากนั้นหายไปความเครียดในช่วงที่มีการต่อสู้กันก็จะหายไปแล้วความสงบของใจก็จะโผล่ขึ้นมาความสุขใจที่เกิดจากการหยุดความอยากก็จะโผล่ขึ้นมา อันนี้แหะเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วก็จะทําให้ความอยากที่เราได้กําจัดได้ชนะแล้วนี่มันจะไม่กลับมารบกวนใจเราอีกต่อไปนี่แหะคือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพกวิธีที่จะกําจัดความอยากต้องกําจัดด้วยการฝืนไม่ทําตามความอยาก ในช่วงที่มีการต่อสู้กันนี้ก็<ม>ต้องมีความอดทน ม, มีความต้องมีเครื่องมือใช้ในการต่อสู้<ม>ถ้าไม่มีเครื่องมือนี้จะสู้ไม่ได้จะสู้ความอยากที่สร้างความเครียดต่างๆขึ้นมาไม่ได้ที่ยอมแพ้ความอยากกันเพราะ ว, ว่ามันสู้ความเครียดที่เกิดจากความอยากขึ้นมาไม่ได้ น, นั่นเอง เลยต้องยอมแพ้ต้องยอมไปทําตามความอยากต่างๆพอุตตมะเขาส่งมอบเครื่องมือให้เรามาใช้ในการต่อสู้กับความอยากในระดับต่างๆ mm. mm. ความอยากมันก็มีอยู่สามระดับระดับทานระดับศีลระดับภาวนา mm. mm. ความอยากระดับทานก็คือ เวลาเรามีเงินมีทองเราก็มากอยากจะเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆจากรูปเสียงกลิกก่นรสผลทพะนั่นเองไปซื้อของต่างๆของฟุ่มเฟือยต่างๆของหรูหราไปซื้ออะไรต่างๆที่มันทำให้ซื้อรูปเสียง ก, ก, กลิ่นรสผลทพะในรูปแบบต่าง ๆ, ๆเวลาเราใช้เงินไปซื้อขอ้ออันนี้ เราก็เกิดความสุดใจขึ้นมาชั่วชั่วคราวพอไม่นานสิ่งที่เราซื้อมามันก็หมดหมดสภาพหรือหมดหมดน้ํายาไม่ได้ให้ความสุขกับเราเหมือนตอนที่เราได้มาให ม, ม่มาใหม่ใมันก็ทําให้เราเกิดความอยากอยากที่จะไปหาของใหม่ๆมาเสกอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วก็จะเกิดปัญหาตามมาเวลาที่เงินทองไม่พอใช้ในความอยากที่จะใช้เงินทองไปซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆมันก็ยังไม่หมดมันก็จะสร้างความเครียดให้ทางที่เกิดความอยากเราก็ไม่สามารถทำตามความอยากได้วิธีที่จะแก้การใช้เงินซื้อ ซื้อสิ่งต่างๆมาเสกตามความอย า, mm hmm. อากเอาตาจางเขาบอกว่าให้เอาเงินนี้ไปทําบุญทําทานแทนเช่ mm hmm. นเราจะเอาเงินนี้ไปซื้อเสื้อผ้าคือของฟุ่มเฟือยซือของที่เราไม่จําเป็นจะต้องมีไม่ต้องใช้นี่ mm hmm. เอาไปทําบุญทําทานดีกว่าเอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการเลือดสันสันที่ตกทุกข์ ที่ำํำบากํำบนเวลาเราไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเหนือนร้อนของผู้อื่นได้โดยการเสียสละเงินทองที่เรามีอยู่ไปเราจะได้เกิดความรู้สึกสุขใจอิ่มใจอันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากการระงับความอยากความอยากที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่ม ไปซื้อของฟุ่มเฟอยต่างๆเอาเงินนี้ไปทำบุญทาทานเราจะทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจทำให้ความเครียดที่เกิดจากความอยากอยากอยากแล้วไม่ได้ทำตามความอยากอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวอยากซื้อของผู้มเฟอยแล้วไม่ได้ไปซื้อนี่ความเครียดนี้มันจะถูก ความสุขใจที่ได้จากการทำบุญทำทานของเรามานะครับจะทำให้เราสามารถที่จะหยุดความอยากใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑชนิดต่างๆได้ น, นี่เป็นวิธีการมีพระเจ้ามีเครื่องมือให้เราใช้ทุกครั้งที่จะใช้เงินเพื่อไปซื้อความสุขจากลูกเสียงกลิ่นดต่างๆ เอาเงินใช้เอาเงินก้อนนี้ไปทำาุญทำทานทำกับใครก็ได้ทำแล้วทำให้เราเกิดความรู้สึกสุขใจเห็นใจใเนลาจะไปทำบุญกับผู้มีพระคุณของเราก่อนเช่นพ่อแม่ของเราอัมานมีพระคุณของเราเราก็อยากจะให้ท่านมีความสุขจากการเสียสละข้าของเงินทองของเราให้แก่พ่อแม่ไป อันนี้ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณคือเรียกว่าความกตัญญูกะตะเวทีการมีความกตัญญูกะตะเวทีการได้ทำบุญเพื่อตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณของเรานี่มันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกสุขใจอิจอ่มใจจะทำให้เราไม่เครียดจากการที่เราไม่ได้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ได้ไป เที่ยไปกินไปดืมด่มอะไรต่างๆแต่เราระ ง, งับความเครียดที่เกิดจากความอยากเหล่านั้นด้วยการ ท, ทําบุญทําทานทํากับผู้มีพระคุณของเราก็จะทําให้เรามีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจภูมิใจหรเราจะทําบุญกับองค์กรที่มีพระคุณกับเราเช่นพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นองค์กรที่ให้ความรู้ ที่เราจะสามารถนำมาไปใช้ในการกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้เราจะไม่รู้วิธีที่จะยุติความอยากต่างๆได้อย่างแทจ้จริงเราก็จะใช้วิธีทำตามความอยากเวลาอยากแล้วเครียดก็ไปทำตามความอยาก พอทำเสร็จแล้วก็หายเครียดชั่วคราวเดี๋ย ว, วความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกความเครียดใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกไม่ว่าจะทํากี่ครั้งกี่หนกี่แสนครั้งกี่ล้านครั้งความอยากนั้นมันก็จะไม่มีวันหมดมันจะกลับมาอยู่เรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะไม่มีเงินทองที่จะไปดับความเครียดได้เราก็ต้องอยู่กับสภาพของความเครียดไป แต่ถ้าเราฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากด้วยการเอาเงินทองที่จะใช้กับการไปตอบสนองความอยากต่างๆนี้เอาไปใช้กับการทำบุญทาทานทำกับผู้ใดก็ได้ที่เรามีความชื่นชอบยินดีทำแล้วทำให้เราเกิดมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมา อันนี้มันจะทําให้ใจเราไม่เครียดเมื่อเรามีความสุขใจใจจากจากการทาําบุญทําทานกลับไปความอยากต่างๆที่เคยเป็นตัวคอยผลักดันให้เราต้องใช้เงินใช้ทองไปซื้อไปหามานี้มันก็จะค่อยลดน้อยลงไปเรื่อยๆัตนต่อไปเราอาจจะไม่มีความอยากที่จะไปหาความสุขจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นโน้ต่างๆ การไปซื้อของฟุ่มเฟือยการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเปการไปกินไปดื่มอะไรต่างๆเพราะว่ามันสู้ความสุขที่ได้จากการเอาเงินไปทำบุญทำทานไม่ได้เงินเงินส่วนหนึ่งเราก็ต้องมีเก็บเอาไว้คือเงินที่เราจะต้องเอาไว้ใช้เลี้ยงดูน่างกายของเราเงินเราต้องมีปัจจัยสี่ที่พอเพียง มีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคไว้ดูแลร่างกายให้อยู่อย่างสุขสบายไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กยากลาบากแล้วถ้าเรามีเงินส่วนเกินที่เราเคยเอาไปใช้กับความอยากต่างๆเคยเอาไปเที่ยวไปกิ น, ไ ป, นไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆเราเปลี่ยนวิธีการ หาความสุขจากการทาตามความอยากด้วยการไปทาบุญแทนการทาบุญนี้ไม่ได้เป็นการสร้างความอยากให้เกิดขึ้นเป็นการหยุดความอยากที่จะใช้เงินไปในทางความอยากที่จะสร้างความเครียดสร้างความทุกข์ให้กับใจ อ, อันนี้คือเรียกว่าทานทานแปล ว, ว่าการให้ให้สิ่งที่เรามีอยู่กับผู้ เพื่อลดความทุกข์ยากลำบากหรือเพื่อให้เขาเพื่อให้ผู้อื่นเกิดมีความสุขขึ้นมา hmm. วเวลาทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขความสุขนั้นมันก็จะกลับมาโผล่ขึ้นมาที่ใจของเราใจเราจะรู้สึกมีความสุขใจเวลาเห็นคนอื่นเขามีความสุขจากการกระทำจากการช่วยเหลือของเรา hmm. แล้วต่อไปนี้ต่อไปเราจะไม่ไม่ต้องใช้เงินทองตามความอยากอีกต่อไป จะไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยจะไม่ไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปทําอะไรต่างๆด้วยเงินด้วยทอง mm hmm. เพราะว่าเรามีความสุขจากการได้ทําบุญทําทาน mm hmm. แล้วถึงแม้ว่าต่อไปสมมุติว่าถ้าเราไม่มีเงินไม่มีทองไม่ได้ทําบุญบุญที่เราทําไว้มันก็ยังทําให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่ม mm hmm. ใจที่ละบุญที่เราได้ทําไว้มันก็เป็นตัวที่คอยสกัดกั้นความอยาก ใช้เงินในทางที่ไม่ถูกใช้เงินไปในทางเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลตั์ชนิดต่างๆความอยากที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็จะหมดไปเราก็จะอยู่อย่างส ม, มะถะเรียบง่าย<ม>เสือ้อผ้าผ่อนก็เป็นเสือ้อผ้าธรรมดาไม่ต้องโก้หรือไม่ต้องมีราคาแพงกระเป๋าไม่ต้องเป็นใบหมื่นลน้าน ใช้ถุงพลาสติกใบเดียวก็ใส่ของได้เหมือนกันทำไมต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนทิ้วก็เปล่าใบหนึ่งเมื่อมันเอามาใช้ใส่ของได้เหมือนกันกับถุงพลาสติกถุงผ้าใบหนึ่งก็ใช้ได้คนที่ไม่มีความอยากที่จะหาความสง่าการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆใช้ของหรูหราต่างๆนี่ก็จะอยู่อย่าง อย่างนี่สมถะเรียบง่ายพอรู้แล้วว่าความจริงนี่มันไม่ได้อยู่ที่การมีของหรูหราของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆมันอันนั้ น, นมั น, นมันเป็นความทุกข์เสียมากกว่าพอเมื่อมันได้อะไรมาแล้วซื้ออะไรมาแล้วมันก็อดที่อยากจะซื้อใหม่ไม่ได้เดี๋ยวก็มีกระเป๋ารุ่นใหม่ออกมาเดี๋ยวก็มีนาฬิการุ่นใหม่ออกมาเดี๋ยวก็มีแหวนมี มีสร้อยมีอะไรต่างๆออกมาแปให้ดูแปลกหูแปลกตาพอเห็นแล้วก็อดที่จะอยากไม่ได้อยากซื้อไม่ได้ซื้อมาเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอยดีแต่ถ้าเอาเงินไปทาบุญทาทานแล้วใจจะอิ่มใจจะพอใจจะไม่หิวกับของฟุ่มเฟือยต่างๆของหรูหราต่างๆของที่มีราคาแพงต่าง ๆ, ๆจะใช้ของที่จะ ใช้ของที่จำเป็นเท่านั้นเช่นเสื้อผ้าจะมีไม่กี่ชุดพอที่จะสับเปลี่ยนกันได้ก็พออาหารก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาหารราคาแพงๆอยู่ในพัตตาคารที่หรูหละกินอาหารข้างถนนก็ได้กินก็ดับความหิวเนทะ่านั้นเองไม่ไดไ้กินเพื่อให้เราวิเศษวิโสอะไรขึ้นมากินมือลวเมอน กินมูลละห้าสิบาทแล้วร้อยหนึ่งมันก็อิ่มเหมือนกันความวิเศษวิโสมันก็ไม่ไม่เกิดด้วยกันทั้งคู่กินไปหมื่นมันก็ไม่ได้ทำให้คนกินหมื่นวิเศษวิโสขึ้นมาคนกินร้อยก็ไม่ได้ทําให้วิเศษวิโสขึ้นมาเพราะความวิเศษวิโสมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความวิเศษวิโสมันอยู่ที่ใจใจที่สามารถเอาชนะความอยากได้นี่แหละเป็นใจที่วิเศษ ถ้าใจยังอยู่ภายใต้อำนาจของความอยากอยู่นี้เรียกว่าใจนั้นเป็นทาตไม่ได้เป็นผู้วิเศษวิโสคนที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจของความอยากซื้อของแพงๆซื้อของหรูหราอยากจะใช้เงินไปซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนพวกนี้จะเป็นเป็นทาตไม่ใช่เป็นคนวิเศษวิโสถึงแม้ว่าจะสวมใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆเป็นหมื่นเป็นแสน อยู่บ้านราคาเป็นร้อยล้านแต่ใจมันไม่ได้มิเสษไมโสไปกับสิ่งเหล่านี้เพราะใจมันยังอยู่แบบธาตุอยู่อยู่อยู่เป็นธาตุของความอยากต่างๆอยู่เดี๋ยวพอความอยากเกิดขึ้นมาปุ๊บนี่อยู่ไม่เป็นปกติแล้วอยู่เฉยไม่ไดนะ้อยู่ไม่เป็นสุขแนละ้วต้องไปทำตามความอยากแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอุปสรรค กับเงินทองที่ต้องเอามาตอบสนองความอยากต่างๆก็<ม>าอาจจะต้องไปหาเงินทองโดยวิธีนิชชอบก็ได้ห<ม>าเงินทองโดยวิธีสุจริต<ม>ไม่สามารถหาเงินทองได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วก็<ม>าอาจจะต้องใช้วิธีชอ่อโกงหลอกลวงเพื<ม>่อ<ม>ที่จะได้เอาเงินทองมาตอบสนองตัญหาความอยากไปเรื่อย การไปหาเงินทองด้วยการทําแบบนี้เป็นการสร้างหนี้สินให้กับจิตใจจิตใจนี้ยังต้องไปต่อแม่วาจะไปสูงไปต่ำก็อยู่ที่การกระทําการหาเงินหาทองว่าหาโดยวิธีไหนหาโดยวิธีสุดจริตหรือทุจริตหาโดยวิธีทุจริตตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในในอบาย ถ้าหาเงินโดยวิธีสุดเจริญก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในในอบายแล้วถ้ามีเงินทองแทนที่จะไปใช้ซื้อของฟุ่งเฟือยซื้อของหรูหราเอาเงินทองไปทำบุญทำทานเวลาตายไปใจก็จะได้ไปสู่สุคติได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องมาทุกมุ่นวายกับการที่จะต้องไปใช้กรรมในอบาย ดการใช้เงินใช้ทองต่ามความอย่างนี่มันจะมีความกดดันที่จะทําให้อาจจะต้องไปหาเงินโดยวิธีมิชอบด้วยการกระทํำบาปในรูปแบบต่างๆแล้วก็ต้องไปใช้ใช้กรรมใช้บาปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจยังไม่สามารถที่จะไปเกิดใหม่ได้ต้องไปรับผลบาปในอบายก่อน ถ้าทำบาปด้วยความโลภเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตไปจนกว่าบาปที่ทำไว้มันหมดกำลังลงมันจะสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้แต่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็จะมาโลภมาอยากเหมือนเดิมอีกมันก็จะพาให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆแต่จะเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติ พอเวลากลับมาเกิดเพราะมีความโลภความอยากต่างๆพอไม่สามารถหาเงินหาทองโดยวิธีสุดจริตได้มันก็จะกลับไปหาเงินทองโดยวิธีทุจริตเรื่อยๆไปเพราะมันจะติดเป็นนิสยัยเป็นสันดานแล้วภพชาติที่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดก็จะเวียนว่ยตายเกิดในทุกขติเกิดนั่เป็นมนุษย์มาทํำบาลด้วยความโลภตายไปก็ไปเป็นเปรต พอใช้กรรมหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาโลภใหม่มาทำบาปใหม่ตายไ ป, ไปก็กลับไปเป็นเปรตใหม่มันก็จะเวียนว่ายตายเกิดในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราคนที่คนที่ไม่ไม่ไม่ใช้เงินตามความอยากทุกครั้งเวลามีความอยากก็เอาไปทำบุญทาทานแทนใจก็จะได้ ความสุขใจอิ่มใจที่จะเป็นสวรรค์เป็นผลเป็นรางวัลสาหรับดวงวิญญาณเวลาที่ร่างกายตายไปแล้ว<ม>ก่อนที่ดวงวิญ ญ, ญาณนี้จะไปได้ร่างกายอันใหม่มก็ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อน<ม>สวรรค์ที่เกิดจากการทําบุญทําทานเอาเงินที่จะไปใช้ตามความโลภนี้<ม>เอามาทําบุญทําทานแทน<ม>แล้วก็จะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําบาปเวลาหาเงินหาทอง เพราะไม่มีความเครียดคอยกดดันเหมือนกับเวลามีความอยากใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบและทรงนำม า, ามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสรรโลกอย่างพวกเราว่าการที่เราจะกำจัดความทุกข์ต่างๆหยุดการเวียนว่ายตายเกิด เราต้องกำจัดมันตั้งแต่ระดับต่ำขึ้นไประดับแรกก็คือการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่งตางๆตามความอยากเราต้องสกัดกั้นมันต้องหยุดมันด้วยการเอาเงินทองนี้ไปทำบุญทาทานแทนเวลาเราได้ทำบุญทาทานแล้วใจเราจะมีความสุขใจอิมใจความเครียดที่ได้ที่เกิดจากความอยากไปเที่ยวก็ดี อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟอือยอยากจะไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังอะไรก็ดีมันก็จะไม่มีความเครียดเมื่อไม่มีความเครียดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทาตามความอยากความอยากมันก็จะหมดลิ์ไปด้วยอำนาจของบุญที่เราทำกัน น, นี่คือระดับแรกในการกำจัดความอยากด้วยการใช้เงินทองเป็นเครื่องมือ ถ้าเราสกัดนั้นยาอย่าให้มันมีเงินมีทองไปใช้เอาเงินทองไปทำบุญทําทานแทนแล้วอลที่สองจากการทําบุญจะทําให้ใจเราสุขทําใจให้เราอิ่มให้เราสบายที่สามารถมาลบล้างความเครียดที่เกิดจากความอยากที่จะใช้เงินไปกับการไปซื้อของฟุ่มเฟ้อกับการไปเที่ยวไปกินไปดื่มได้พอเรากําจัดปัญหาเรื่องเงินทองได้แล้ว เรื่องการใช้เงินใช้ทองที่ถูกวิธีที่ไม่ไปทำให้เราต้องไปสร้างพบสร้างชาติอยู่เรื่อยๆขั้นต่อไปเราก็ต้องมาหยุดความอยากที่เกิดจากการที่จะไปทำบาปบางครั้งเราอาจจะมีเหตุการณ์อะไรมาบีบทั้นใจเราที่จะทำให้เราโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทขึ้นมาที่จะทำให้เราต้องไปทำบาป ด้วยการไปทําร้ายผู้แต่ถ้าเรารักษาศีลระลักษาศีลห้าไว้เราก็จะไม่ไปทําร้ายผู้เมื่อไม่มีเรามีศีลห้าคอยกั้นไว้ความอยากที่จะไปทําร้ายผู้มันก็จะละลับษ์ไปในความอยากบางครั้งชีวิตเราจะแร้นแค้นแล้วอาจจะมีความอยากบีบบังคับให้เราไปลักขโมยข้าวของเงินทองเพื่อมาบรรเทาความแร้นแค้นของเรา แต่ถ้าเรานึกถึงว่ามันเป็นการกระทำบาปผลที่เกิดจากการกระทำบาปนี้มันเสียหายมากกับผลที่ได้รับจากการทำบาปอาจจะได้ข้าวของเงินทองมาช่วงขณะที่มีชีวิตอยู่แต่เวลาตายไปนี้จะต้องไปใช้บาปในบายอาจจะต้องไปเกิดเป็นสันในอาฉานถ้าเราทำเพื่ออยู่รอดเพื่อไปรักทรัพย์ของผู้อื่นเพื่ออยู่รอดขึ้นมาเราก็จะตายไปก็ต้องไป เกิดเป็นสัตว์เทล่าฉานหรือว่าถ้าเราทำบาปโต้ความโลภเพราอยากได้มากๆอย่างมีมากๆอันนี้ก็จะทำให้เราไปเกิดเป็นเปรตขึ้นมาถ้าเราทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเก<ม>ลียดรังแค้นต้องการรังแค้นกัน<ม>อันนี้มันก็จะพาให้เราไปเป็นดวงวิญญาณที่ร้อนลุ่มร้อนด้วยไฟของนรกนี้ แต่ถ้าเรามารักษาศีลได้ศีลนี้ก็จะยับยั้งการเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติได้ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ตายไปจะปิดประตูบายได้ตายไปดวงวิญญาณนี้จะไม่ไปเกิดในอบายถ้ามีบุญบุญก็จะพาไปสวรรค์ถ้าไม่ได้ทําบุญก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปเลยอันนี้ก็เป็น ขั้นที่สองของการที่จะ ส, ะสะกัดกั้นความอยากต่างๆด้วยการด้วยการกทำบาปต่างๆพอการกทำบาปมันก็จะผลัก ด, ดันให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติๆๆเรื่อยๆพอการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะกลับมาทำบาปหน่อยทำบาปแล้วตายไปก็ไปเกิดในอบายแต่ถ้าเราไม่ทำบาปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าเราได้ทาบุญเราก็จะไปเกิดในสวรรค์ถ้าเราเกิดมันเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่มีความอยากต่างๆการที่เราจะตัดความอยากให้น้อยลงไปเรื่อยๆก็จะมีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเรารักษาสี่ห้าได้แล้วไม่ทำบาปตามความอยากได้แล้วเรายังมีความอยากที่เรายังต้องกาจัด ท, ที่การทาบุญทําทานการรักษาสิ่ง ไม่สามารถกำจัดได้เพราะว่ามันอยู่ลึกในใจของเราอันนี้ต้องอาศัยการปฏิบัติข้อที่สามหอาศัยเครื่องมือข้อที่สามคือการบำเพ็ญจิตตภาวนาจิตตภาวนานี้เป็นการซักพอกจิตใจกำจัดความอยากที่มีในจิตใจให้หมดสิ้นไปทานกำจัดความอยาก ในการใช้เงินใช้ทองสินกำจัดความอยากในการกระทำบาปแล้วก็เหลือความอยากที่ยังอยู่ในใจที่ยังไม่ได้รับการกำจัดด้วยด้วยทานด้วยสินก็ต้องใช้การกำจัดด้วยการภาวนาการกำจัดด้วยการภาวนานี้ก็ต้องอาศัยการมีสินแปดเป็นเครื่องมือสนับสนุนถึงจะมีเวลาให้กับการ ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเพราะการภาวนาและการซักพอกจิตใจนี้ถ้าจะให้ได้ผลดีจําเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอคือตลอดเวลาไม่มีภารกิจอย่างอื่นต้องทําแล้วต้องสละความสุขของผู้คลองเรือนแล้วไม่ไม่เอาเวลาไปหาเงินหาทองไม่เอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย จะเวลาทั้งหมดมาให้กับการซักพอกจิตใจหยุดความอยากต่างๆที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจให้หมดสิ้นไปการที่เราจะมีเวลาเราก็ต้องมีศีลแปดเป็นผู้มาคอยคอยกาจัดตัวที่จะมาดึงใจให้ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นศีลแปดนี้ก็จะห้ามให้เราไม่ให้มีการร่วมเพศกัน แม่หาความสุขจากการร่วมเพศกันเพราะมันจะทําให้เราไม่มีเวลามาปฏิบัติไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมกันถ้าเราเอาเอาแต่เอาเวลาไปร่วมหลับนอนกันสิ่งท้อสิ่งแปลของสิ่ง้อสามก็เป็นอบ ร, ร ม, ม จ, จริยาลาเว้นจากการร่วมเพศกันไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาของตนก็ตามทีละนี้ไม่ได้เพราะความเกลียดชังกันนะ ลเพราะว่ า, าต้องการหยุดกิจกรรมอันนี้เพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการภาวนาทำานาจิตใจ น, น, <ม>นั่นเนองเป้าหมายของศีลแปดนี้เพื่อสนับสนุนให้มีเวลาต่อการบาเพ็ญจิตตภาวนา<ม>ข้อสาก็ไม่ร่วมเพศกันก็จะมีเวลาตอนที่จะไปใช้กับการร่วมเพศนี้มากับการให้กับการปฏิบัติได้<ม>แล้วก็ข้อหก็ ไม่ให้กินอาหารมากเกินไปให้กินพอเลี้ยงร่างกายอยู่ได้ไม่ให้กินตามความอยากเพราะเราเป้าหมายของเราเราต้องการหยุดความอยากไม่ใช่ทําตามความอยากงั้นเวลากินอาหารก็ต้องไม่ให้กินด้วยความอยากกินด้วยความจําเป็นกินเหมือนกินยาหืออาหารนี่เป็นเหมือนยารักษาร่างกายกินตามเวลากินตามพอประมาณวันละมื้อสองมื้อก็พอแต่ไม่ให้เกินเก้งวันไปแล้ว พอหลังจากเที่วันเราจะได้เอาเวลานี้มาให้กับการภาวนานั่นเอง<ม>ถ้าเรากินแบบไม่มีขอบไม่มีเกล็กินตามความอยากมันก็จะกินตั้งแต่เชา้าไปจนั่งถึงก่อนนอนเลย<ม>เพราะความอยากนี้พอทําตามความอยากแล้วมันยิ่งอยาก<ม>แตถ้าเราฝืนความอยากได้ต่อไปเราจะกินแบบสมถะเรียบ ง, ง่ายกินแค่มือ้อสองมื้อก็พอจะไม่รู้สึกเดือดร้อนจะไม่มีความอยากที่จะกินตลอดเวลา เราจะได้มีเวลาให้กับการบาเพ็ญกิจตะภาวนาแล้วก็สิ่งข้อที่เดก็คือเวลาเป็นการหาความสุขจากมหัศศพบันเทิงต่างๆดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงนะไปถานท่องเที่ยวต่างๆไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆอันนี้มีนกิจกรรมที่เราต้องการหยุดมัน เพราะว่ามันจะมันจะทำให้เราไม่มีเวลาถ้าเราไปทำกับกิจกรรมเหล่านี้จะไม่มีเวลามาซักพอกจิตใจด้วยการภาวนาแล้วก็ไม่ให้เสรมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภร์ที่มีสีสันมีวิจิตพิสดานหรือเสริมสวยความงามทางายหน้าทางเข้าผมใช้น้ำมันน้ำหอมหรืออะไรต่ตาๆตงๆก็ไม่ให้เสียเวลากับการทำกิจกรรมเหล่านี้ ให้เอาเวลามาปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วสิลข้อแปก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายไม่ได้นอนเพื่อให้เกิดความสุขใจจากการได้หลับนอนมากๆวิธีที่จะทำให้ไม่หลับนอนมากๆ ก, ก็นอนบนเตียงที่ไม่สบายนอนบนเตียงที่ไม่มีฟูกนะ้นาะๆนอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งๆหรือนอนกับพื้นก็ได้ปูด้วยผ้าด้วยเสือ ถ้านอนแบบนี้เวลาร่างกายให้อ่อนเพลียก็จะหลับไม่ว่าจะอนอนในที่แข็งขนาดไหนพอร่างกายง่วงเต็มที่มันก็จะหลับได้และพอหลับไปพักสี่ห้าชั่วโมงได้พักผ่อนเพียงพอมันก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่ามันไม่สบายไม่สุขเหมือนกับนอนกับฟูกถ้านอนกับฟูกนันะ้นาะเวลาร่างกายได้พักผ่อนแล้วพอตื่นขึ้นมาใจยังไม่อยากจะลุกเพราะมันสบาย ก็จะนอนต่อสามสี่ชั่วโมงได้แต่ทำให้สูญเสียเวลามีค่าของการซักพอกจิตใจไปอันนี้คือสินสินแปที่ผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาจาเป็นที่จะต้องีอรักษาไว้ก็จะได้มีเวลาให้กับการภาวนาพอเรามีเวลาแล้วเราจะสามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย อันนี้หมายถึงผู้ที่ไปปฏิบัติแบบเอแบบไม่มีภารกิจการงานเช่นไปไปปฏิบัติในช่วงวันหยุดทํางานของเราถ้าเป็นปฏิบัติแบบช่วงข่าว่วงไหนมีวันหยุดสามวันอย่างเนี้ยช่วงนี้มีสามวันแทนที่จะไปเที่ยวไปอะไรต่างๆไปที่ต่างๆก็เปลี่ยนไปอยู่วดัดไปอยู่ปฏิบัติธรรมไปอยู่วัดที่เขาให้เราปฏิบัติได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนอันนี้ จะทําให้การปฏิบัติจิตธรรมนาได้ผลดีได้ก้าวหน้าถ้าเราทำวันละครึ่งชั่วโมงนี่ครั้งสองครั้งนี้มันไม่พอที่จะทําจิตให้สงบได้เราจำเป็นที่จะต้องเจริญสติทั้งวันทั้งคืนถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขช่วงที่จิตสงบเข้าสู่ความสุข ความอยากต่างๆที่มันมีอยู่ในใจมันก็จะหายไปชั่วคราวทาให้ความเครียดต่างๆที่เกิดจากความอยากนั้นก็จะหายไปเหนือแต่ความสงบนิ่งสุขสบายเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ความสุขที่เราได้จากราบรสรรเสรนนี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่เราได้จากการทําใจให้สงบนี้มันเหมือนกับฟ้ากับดิน ถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบแล้วใจเราจะเริ่มหันมาหาความสุขแบบนี้เพิ่มมากขึ้นจะมีกำลังใจมีกำลังใจที่จะพยายามฝึกสติให้มากขึ้นเพราะรู้ว่าการฝึกสตินี้เท่านั้นแหละที่เป็นเทที่ทำใจให้สงบได้ถ้าไม่มีสติมานั่งสมาธิไม่ว่าจะนั่งนานสักเท่ทาไหร่ใจก็จะไม่สงบ พอใจจะคอยคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดไปเรื่อยๆจนฟุ้งซ่านขึ้นมาเพราะไม่มีสติดังนั้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิได้ต้องระงรับความฟุ้งซ่านระงรับความคิดด้วยการจเจริญสติอย่างต่อเนื่องื่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพอลืมตาขึ้นมาถ้าเป็นนักปฏิบนะัติภาวนาที่ต้องการจเจริญสติก็ต้องเริ่มเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา าาการจะเจริญสติก็ใช้มีหลายวิธีด้วยกันจะเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเราบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นคนนั้นคนนี้ได้ถ้าเราหยุดพุทโธเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็แวบมันก็จะไปทันทีอย่าไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นเราต้องพยายามดึงใจให้กลับมาอยู่กับพุทโธให้มากที่สุดใหม่ๆก็จะล้มลุกคลุกคลานไปก่อน พุทโธได้แว บ, บเดียวเดี๋ยวก็หายไปแนละ้วเดี๋ยวีกสักพักถึงยังรู้สึกตัวว่าไม่ได้พูดโธกนะ็ค่อยมาพุทโธใหม่ใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ลม้ลมนุกคลุกขันแต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามว่าเราจะต้องให้อยู่กับพุทโธให้มากอยู่กับเราตลอดเวลาเนยถ้าเรามีความตั้งใจตั้งเป้าหมายว่าพุทโธคือคือหน้าที่ของเราพุทโธต้องอยู่คู่กับใจของเราคอยยับยั้งความคิดความอยากต่างๆ ถ้าเรามีจุดหมายที่ชัดเจนเราก็จะเราก็จะได้รักษาจุดประสงค์ของเราให้เรามีพุโทโธได้มากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปพุโทโธก็จะเริ่มมีมีอย่างสม่ำเสมอมีอย่างต่อเนื่องแล้วความคิดต่างๆมันก็จะน้อยลงไปหายไปเวลานั่งสมาธิก็จิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านนั่งสมาธิก็พุโทโธต่อไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งแล้วจิตก็จะนิ่งสงบรวมเป็นสมาธิขึ้น<ม>ความคิดต่างๆที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปชั่วคราว<ม>อันนี้เป็นการการหยุดความอยากด้วยด้วยสติแต่เป็นความหยุดความอยากแบบชั่วคราวเวลาที่จิตสงบอยู่ในสมาธิความอยากมันก็ทํางานไม่ได้แต่พอจากสมาธิมาพอมาเ ร, มเริ่มคิดเริ่ม บุงแต่เริ่มสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆถ้าเวลาใดเผลอไม่มีสติไม่มีพุโทโธเดี๋ยวความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าอยากจะกําจัดความอยากที่โผล่ขึ้นมาเวลาเอาจากสมาธิไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาเลยก็ต้องใช้ปัญญาปัญญามาสอนใจว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่พาให้เราทุกข์กันทำให้เราเครียดกัน เวลาไม่มีความอยากนีใจเราเย็นสบายพอ เ, เกิดความอยากขึ้นมาใจเริ่มกระเตืร่้อนเริ่มวิตกกังวลเริ่มหวาดเริ่มเริ่มเริ่หงยเริ่มเครียดกับเรื่องราวต่างๆที่เราอยากขึ้นมาทันทีให้รู้ว่าในความอยากเป็นตัวที่จะทำให้เราทุกข์แล้วความอยากตัวนี้แหละที่จะพาให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเราต้องไม่ทำตามความอยาก และสิ่งที่เราอยากได้มันก็ไม่สามารถให้ความสุขแบบยั่งยืนได้มันให้ความสุขแบบชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกิ่นลดปวดท่าพะไม่ว่าจะเป็นรากยศจรเสริญเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเราได้ชั่วคราวพอเวลามันเสื่อมหรือมันหมดไปความสุขที่ได้จากมันมันก็จะหายไปกลายเป็นความทุกข์กลายเป็นความเศร้าขึ้นมาเช่นเวลาเราอยากมีแฟนพอเราไปได้มีแฟนขึ้นมาเราก็เกิดความสุขขึ้นมา แต่แฟนของเราก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ควบคุมบังคับให้เขาอยู่กับเรารัากเราไปเสมอรักเราไปตลอดไม่ได้เดี๋ยววันดีคืนดีเขาก็อาจจะจากเราไปก็ได้อาจจะจากโดยอุบัติเหตุนีตายไปก็ได้หรือว่าจากไปเพราะเขาอยากจะไปอยู่ของอยู่กับคนอื่นก็ได้พอเขาจากเราไปมันก็จะทาให้ใจเราทุกข์ทให้ใจเราเศร้า ท่านสอนให้เราพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆที่เราอยากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเราความจริงแล้วมันเป็นความทุกข์ทุกเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนสุกเพราะว่าเราไม่สามารถสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดวันดีก็ดีเมื่อช้าก็เร็วมันก็จะต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไป เพราชีวิตของพวกเราทุกคนก็เป็นชีวิตชั่วคราวร่างกายของเราก็อยู่ไปได้ชั่วคราวแต่ ว, วันหนึ่งร่างกายเราก็ต้องสิ้นสุดลงเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความสุขกับเราไปให้พิจารณาให้เห็นใจรัก <c oughs> ในสิ่งที่เราอยากแล้วให้พิจารณาเห็นอริยสัจคือความอยากนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจเราแล้วจะเป็นตัวที่จะพาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆพอเห็นว่ากน ตัวที่เป็นปัญหาก็คือความอยากนี้เราก็หยุดมันถ้าเรามีสมาธิใจเราจะมีกําลังหยุดความอยากได้เพราะตอนที่เราเข้าสมาธิเราก็หยุดความอยากนั่นเองนั้นเราใจเราจะมีถ้ามีสมาธิแล้วจะมีกําลังหยุดความอยากได้ถ้าเรารู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่มันสร้างความทุกข์มากถ้าผู้ทาตามแบบโลกภยกัยไข้เจ็บของร่างกายถ้าเรารู้ว่า เชื้อโควิดมันจะทําให้เราตายได้เราก็พยายามป้องกันไม่ไม่ให้เชื้อนี่มันเข้ามาในร่างกายของเราถ้ามันเข้ามาเราก็ต้องกําจัดมันหรือเราต้องมีมีการป้องกันเช่นมีการสีบรักซีงอันใดความอยากต่างๆนี่ก็เป็นเหมือนเชื้อโรคของใจเป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจในรูปแบบต่างๆทุกตั้งแต่มันเริ่มต้นปผล่ขึ้นมาพอเกิดความอยากขึ้นมาใจก็กังวลกวายแล้วเกิดความเศร้าขึ้นมา เวลาที่อยากอยากให้ของที่เรารักไม่จากเราไปพอของที่รักเรารักจากเราไปเราก็เศร้าขึ้นมาทันทนนีเราต้องเห็นว่ามันเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ทำให้เราเศร้าทําให้เราเครียดเราต้องหยุดมันอย่าไปทําตามมั น, น, น, น, นด้วยด้วยการใช้กําลังของสมาธิหยุดมันด้วยการใช้ปัญญาเป็นเป็นผู้สอนผู้บอกว่าทําไมเราไม่ควรทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากจะนําเราไปสู่ความทุกข์ เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ mm. นี่คือการใช้ปัญญาในการสกัดหรือกำจัดความอยากถ้าเรามีปัญญาแล้วต่อไปมันจะไม่อยากได้อะไรเพราะมันจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไปหมด mm. พอไม่มีความอยากได้อะไรใจที่วุ่นวายกับความอยากที่เกิดจากความอยากมันก็จะหายวุ่นวายใจก็จะสงบไปตลอดเย็นไปตลอดนิ่งไปตลอด mm. นี่แหละคือนิพพานใจที่สงบตลอดท้าวนปรลมมสุขมีแต่ความสุขตลอดเวลาเพราะว่าตัวที่มาสร้างความทุกข์นั้นได้ถูกกำจัดไปด้วยปัญญาอย่างท้าวนถ้ามีปัญญาเห็นทุกข์เห็นสรมุทยัยเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากต่างๆเห็นว่าการเวียไว่ายตายเกิดเกิดจากความอยากต่างๆเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียเกิดการพัดผาก็ ก็ไปอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นอนัตาเช่นราบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันต่อให้มันวิเศษกันไหนต่อให้มันให้ความจบเรามากน้อยเพียงไรก็ตามมันก็เป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปหรือถ้าไม่จากเราไปแล้วก็ต้องจากมันไปเพราะร่างกายของเราก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกัน พิจารณาให้เห right ็นว no ่าการทําตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจพำให้ใจต้องบันเทียนไปเวียนว่ายตายเกิดการไม่ทําตามความอยากด้วยกําลังของสมาธิหยุดความอยากได้เวลามีสมาธินี้เวลาหยุดความอยากนี่จะไม่ยากว่าจะไม่เครียดถ้ายังไม่มีสมาธินี่หยุดความอยากไม่ได้ถึงแม้รู้ว่าความอยากนี่เป็นตัวที่มสร้างความเครียดสร้างความทุกข์แต่ถ้าไม่มี สมาธิมาหยุดมันนี้ก็หยุดมันไม่ได้ดังนั้นก่อนที่เราจะมาหยุดความอยากด้วยปัญญาเราต้องหยุดความอยากด้วยสมาธิก่อนด้วยสติก่อนฝึกสติให้มากๆก็ก็หยุดความคิดก็หยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้เพราะความอยากมันต้องอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือนั่นเองถ้าใจไม่คิดความอยากก็ไม่เกิดแต่ถ้าพอใจคิดถึงเรื่องเงินเรื่องนี้ความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะตามมาทันที ย่างถ้าเราควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้ด้วยสติต่อไปความอยากมันก็จะอยู่ภายใต้อำนาจของเราเราสามารถสั่งมันหยุดได้ทุกทีที่มันปรากฏขึ้นมาแล้วถ้าเราต้องการหยุดมันอย่างท้าววอนเราก็ต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าตัวทุกตัวที่ทํำให้ใจเราทุกตัวที่ทาให้เราเวียนร่ายตายเกิดนี่ก็คือความอยากนี้ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันจะน่าชื่นชมยินดีขนาดไหนก็ตามแต่มันก็เป็นของชั่วการาว ได้มาแล้วไม่ช้าก็เลยมันก็จะจืดจางไปหายไปแล้วจะทำให้เราเกิดความอยากอย่างใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี่นแหละคือการวิธีการที่เราจะสามารถที่จะหยุดยุดติปัญหาของเราคือการเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ทางใจของพวกเรานี้มันเกิดจากความอยากนี้เท่านั้นเองในการจะหยุดมันได้เราก็ต้องอาศัยการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอน ให้เราทำมุญทำทานทุกครั้งที่อยากจะใช้เงินใช้ทองไปตามทำไปซื้อความอยากซื้อของที่อยากได้ต่างๆใ้เราไปทำมุนทำทานทาทาแทนเวลาอยากจะทำบาปก็ใช้รักใช้ศีลเป็นเครื่องกันเอาไว้แล้วก็มาทําใจให้สงบเพื่อหยุดความอยากและเวลาออกจากความสงบมาพอเกิดความอยากายา ก, ายาก็ใช้ปัญญาสอนใจให้อยาไปทํา เพราะมันเป็นการส่งเสริมความอยากส่งเสริมความทุกข์ให้กับใจนี่ะคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามั่นถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังสร้างพบสร้างชาด้วยการทำตามความอยากต่างๆหรือเรามายุติความอยากด้วยการเราตัดพบตัดชาหยุดการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการด้วยการหยุด หยู่การกระทำตามความอยากต่างๆด้วยการบําเพ็ญทานศีลภาวนานี้เองนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้จะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาปูราปริปุรนเติสากลังเอวเมวะอิตทินังเปตานังุป ก, ปกปัปติ ยิชิตังปัทถิตังตุมหังเขปเมวะสมิจฉตุสัพเพปเรนตุสังกาปาจันโทปนะราโสยธาโมนิจุติอาโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตาลาโยสุขิติขายุโกภวะ อาพิวาธานสสิลิตะนิจังวุฒาปจายนจโนจตารธรรมะวาตานติอายุวนันโอสุขังภาลาัช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้ในช่วงนี้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อควาเข้ามาก็ได้แต่วันนี้มีชาวต่างชาติชาวมะเลย์มาก็จะเปิดโอกาสให้เขาได้ถามก่อนอันนี้รายงานด่อนว่ามีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนาคุตจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ338ท่าน YouTube พระอาจารย์สุชาติ313 YouTube d r V 39วิทยุออนไลน์สิบคลับเฮาส์สองนาคุตหนึ่งรก้าสิบรวมทั้งหมด897ท่านค่ะ Okay uh, to our Malaysian visitors if you have any question please go ahead and ask I give you the microphone. Anybody would like to ask any question? No question. Okay. Okay. o k a y Please speak closer to the microphone. The t a p Hello, t a n a j a n Good day to you. I just wonder, let's say when, when we pass away, right? What would be the best method for us to um, be uh, either e be buried or cremated? Oh, it doesn't matter how you get rid of the body. The body is insignificant because it's just uh, made of four elements. And when the body dies, if you leave it alone, it will eventually decompose by itself. But people would like to h a n d o e the body in a more uh, respectful way, so we have ceremonies like funeral services. But there's no real significance in the body. What is significant is the mind, the spirit that passed. That left the body. Whether the spirit will go to heaven or go to hell is up to the bad or good karma that the person did. So if you if you want to go to a heaven, go to heaven, then you should do lots of good karma before you die. If you don't care, you think you don't, there's no hell, then you can do all the bad karma you want. But whether you believe or not. The bad karma will take you to hell. So this is the only thing you can do for the dead is to make some merits and send them, do some good karma, and share the merits o f your good karma with the deceased. So, Tanachan, t o best way to make merits for the departed is uh, uh, to do dana, to the more dana. Yeah, and then uh, okay. give things to the temple, or to the hospital, or to school. You can do charity work. Can we, when we do meditation, after our meditation, can we transfer the merits from our calmness to the departed? Well, in theory, yes, but the Buddha never told us to do this because for most of us, we cannot achieve any result from our meditation yet. Ah. Uh, So it's better to to do dana because everyone can do dana and can get the result from dana right away. Okay, okay. satu, satu, satu. y okay. Is that all? Okay. Then we'll be speaking i n h tie again. So I hope you don't mind. Oh h e a h y yeah. e นามส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ท่านสอนว่าเมื่อเราเกิดความอยากแล้วเนี่ยเราจะแก้มันด้วยการที่พิจารณาไปรลักเพื่อลดทอนมันแล้วก็ฆ่ามันด้วยปัญญาที่นี้เนี่ยท่านก็สอนนามสกครู่ว่าเหมือนกับว่ารากเงาของความอยากมาจากการคิดปรุงแต่งใช่ไหมคะมันเป็นเ่รื่องมือความคิดปรุงแต่งไม่ใช่ร่างเงารากเงาของความอยากคือความหลง แต่มันต้องใช้เครื่องมือคือความคิดถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราคิดปับ๊บเดี๋ยวเราก็อยากได้เพราะฉะนั้นความคิดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความอยากก็อย<น>ากทราว่าเราจะแก้ความคิดยังไงคะ่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนคิดเยอะแเราก็ปรุงแต่งเยอะค่ะ ค, คิดไปในทางใจรักเนี่ยเพราะว่าทุกสิ่งทุาอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา ถ้าไปอยากได้สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะต้องทุกข์เพราไม่ช่างกันเลยเขาจะต้องจากเราไปและเปลี่ยนไปให้คิดแบบนี้แล้วความอยากก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟุง้งซ่านเราก็คิดเอาไตหลักหมัดช่วยได้ด้วยใช่ไหมคะได้แต่ถ้าคิดไม่ไม่เคยใช้มาก่อนมันจะยากถูกใช้พุทโธมันง่ายกว่า<ต>เพราะฉะนั้น ถ, ถ้าใช้ไตหลักเราหยุดหยุดความคิดได้ก็ใช้ได้เค okay. แต่ถ้าใช้แล้วไม่หยุดก็จะต้องใช้พุโทโธพุโทโธไปยัะ ง, ง่ายก่าค่ะขอขอบคุณค่ะคําถามจากผู้รับฟังนะกุศลค่ะอยากขอความแยบคายของคําว่ามานาหกมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับเราจะพิจารณาในสมาธิได้อย่างไรเราจะรู้แจ้งในสมาธิได้อย่างไรครับมันคนละเรื่อง ก, กันสมาธิกับการรู้แจ้งเนเป็นคนละเรื่อง ก, กัน สมาธิคือความสงบหนึ่งไม่มีการรู้แจ้งการจะรู้แจ้งต้องอยู่ในระดับของปัญญาซึ่งไม่ได้อยู่ในสมาธิต้องออกจากสมาธิมาพิจารณาเช่นมานะเนี่ยคือการถือตัวการถือตัวนี้มันเกิดจากความหลงใจไปปรุงแต่งขึ้นมาเองว่าใจเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่ความจริงใจนี่เป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติที่รู้ที่คิดท่นั้นเอง เวลาใจสงบเข้าสมาธิความคิดก็หยุดไปแล้วก็ความหลงก็หยุดไปตัวมานาก็หายไปให้เรารู้ว่า อ, อ๋อความจริงแล้วตัวมานานี้มันเป็นตัวที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจแ่นั้นเองเราก็สามารถหยุดมันได้พอามมันไปคิดถึงพอคิดว่าเป็นตัวเป็นตเนตเราก็บอกไม่ใช่เราเป็นตัวรู้ให้รู้เฉยๆเวลาใครก็ด่าเราก็ให้รู้เฉยๆว้วก็ด่าเรา อยากไปเอาตัวตนออกไปรับพอใครก็ด่าเราเราโกรธนี่แสดงเอาตัวตนออกไปลับเวลาใครก็ชมเราเราไปดีใจอย่างนี้ก็เอาตัวตนออกไปลับแต่ตัวตนนี่ไม่ใช่ตัวเราตัวเราที่แท้จริงคือตัวรู้ให้รู้เฉยๆใครด่าก็รู้เฉยๆใครชมก็รู้เฉยๆแล้วใจจะไม่ทุกข์คำถามจากผู้เราฟังยูทูปเมื่อวานนี้ค่ะ เวลานั่งสมาธิดูลมบางครั้งทำไมรู้สึกลมเข้าลมออกมันแรงคะบางครั้งเหมือนถึงกับตัวโยกเลยคะ่ะมันเป็นอนนี้จังมางอะไรทั้งหลายมองว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนบางทีก็แรงบางทีก็เบาแล้วแต่ว่าเราทำกิจกรรมอะไรมาก่อนถ้าเราทำงานมากใช้กาลังมากเวลามานั่งลมหายใจก็จะแรง แต่ถ้าเรานั่งเฉยๆอ่านหนังสือหรือทำมือนหรื่นอนขึ้นมามานั่งสมาธิมันก็จะเบาดังั้นมันจะแรงหรือเบาไม่เป็นประเด็นสำคัญการนั่งสมาธิเราเพียงแต่อสายัยการดูลมเป็นเครื่องผูกใจเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหัวใจจะได้สงบนิ่งเท่านั้นเองแล้วไม่ต้องไปกังวลว่าลมจะหยากจะละเอียดมันจะยาวจะสั้นจะแรงหรือจะค่อยให้รู้ตามความเป็นจริงดู ครับผมเอาเรื่องอยังไงเดี๋ยวพูดได้เลยยังไงครับพูดเสียงมีอะไรก็ถามเลยครับผมผมพึ่งเริ่มครับแป บ, บนยังไงอะไรอะไรคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ การทําบุญให้โรงพยาบาลกับการทําบุญด้วยการเช่าวัตถุมงคลเพื่อสร้างพระพุทธรูปให้แก่วัดหรือมูลนิธิต่างๆจะได้บุญเหมือนกันไหมครับโดยการทําบุญถ้ามีของตอบแทนนี่ก็ไม่ได้บุญเพราะเป็นการซื้อขายเช่นเราบริจาคเงินเท่านี้จะได้พระพุทธรูปทองคำบริจาคเท่านี้จะได้พระพุทธรูปเป็นเงินถ้าอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นการซื้อขายจะไม่ได้บุญเมืก็เราไปร้านเซเว่น เราก็ให้เงินเขาแล้วเขาก็ให้ขนมเรามากินถ้าจะทําทบุญแบบได้บุญต้องไม่ต้องการอะไรเป็นของตอบแทนเราต้องการเสียสละอย่างเดียวเมี น, นโยมอยากจะถามคําถามอีกกราบนมัสการท่านอาจารย์เจ้าค่ะโยมอยากจะถามว่าถ้าเรายังอยู่ในสถานะของคาราวาสไม่ได้บวช ไม่ไม่ได้เป็นสถานะบวชอะค่ะเราสามารถจะปฏิบัติให้ถึงถึงตัดภพตัดชาตินิพานได้หรือไม่คะเจ้าค่ะยากเนะเพราะว่าเรายังอยู่ในระดับปฐมอนุบาลอยู่จะไปให้จบปิญญาจากระดับปฐมระดับ อ, อนุบาลนี่มันเป็นไปได้ยากเพราะศักยภาพความสามารถของเรายังไม่ถึงพอ ทําได้อย่างมากก็ไปสวรรค์ถ้าเป็นค า, า, ารว่าักษาศีนแล้วก็ไม่ทํำบาปไม่ทํำบาปทาบุญทําทานนักษาศีลแต่สมมุติว่าเราเป็นค า, า, ารว่าที่เหมือนเป็นเหมือนพระคือเราสามารถปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนอันนี้ก็สามารถไปนิพพานได้มันไม่ได้อยู่ว่าเราเป็นค า, า, ารวาแล้วเป็นพระอยู่ที่เวลาที่เราให้กับการศึกษาหรื ก, การปฏิบัติถ้าเราให้การปฏิบัติเต็มร้อยผลก็ต้องเต็มร้อย ถ้าเราให้การปฏิบัติห้าสิทมันก็ได้ห้าสิทนี่อยู่ที่การปฏิบัติของเราเราสามารถปฏิบัติทานศีลธรรมานาได้เต็มร้อยหรือเปล่าสามารถกําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเราได้หรือเปล่าถ้าเราทําได้เราก็ไปนิพพานได้รา้ววันความเจ็บป่วยเกิดในร่างกายเราควรจะพิจารณาเหมือนอย่างไหนนะครับพิจารณเราเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนตกแดดออก เวาฝนตกแต่ล้วคนก็เฉยๆในชะ่ไหมครับอาการร่างกายไม่สบายก็เฉยๆไปครับแล้วใจจะไม่ทุกข์ครับที่เราทุกข์ก็เราอยากให้มันหายเรืบอยากจะให้มันไม่ไม่เจ็บแต่เราห้ามมันได้เปล่าไม่ได้ครับเราไปห้ามทําไมไม่อยากทําไมครับก็อยู่กับมันไปไมนเราอยู่กับดินฟ้าอากาศลมจะพัดเราก็ปล่อยมันพัดไปฝนจะตกเราก็ปล่อยมันตกไปครับแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน แสดงว่านังคาสมาธิและในในท่ามันมันมีความเจ็บปวดเกิดคุ้นแต่ไม่ได้เปลี่ยนท่ามันเราได้รู้เมื่อไรคือแบบพอเวลาเพราะว่าถ้าทาไปเรื่อยอาจจะเหมือนจะมีความเสียหายแท้ผมมันคอยเกิดคุ้นกับผมแล้วก็ อะไรเสียหายร่างกายเสียหายใชนไหมจะมีแบบอ่าอ n j u r y รียกว่า อ, อะไรอ๋อไม่หรอก injury เกิดจากการไปเล่นมากกว่ายัางไงกัไนไปเล่นกีฬามากกว่านั่งเฉยๆไม่ i n j รี่หรอกอวกันหลอกเรากิเลสมันไม่อยากจะให้เรานั่งมันก็เหล่าว่านั่งไปแล้วเดี๋ยวพิกนพิการไม่มีพิกลพิการหรอกครูบาอาจารย์นั่งทีแปดชั่วโมงนั่งก็นั่งได้ครับไม่ใช่ว่าเรานั่งตลอดเวลาที่ไหนแล้วก็นั่งแล้วแล้วก็พอเราเลอกเราก็ไม่ได้นั่งค เวลานั่งเราต้องการฝึกจิตให้ให้วางเฉยกับความเจ็บปวดของร่างกายเวลาร่างกายเจ็บก็ใช้สติพุโทโธพุโทโธพุโทโธเพื่อให้ใจเราไม่ไปดิ้นต่อสู้กับความอยากให้ต่อสู้กับความเจ็บของร่างกายพอใจเราไม่ได้ต่อสู้ใจเราก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์ใจเราก็จะเบาสบายอยู่กับความเจ็บปวดได้ครับผมแล้วก็อีกข่านึงผมเคยสังเกตพของอื่นก็ แสดว่าการท่าย่อนกับแค ม, มี่เขาโดยแบบไม่ได้ใส่หน้ากากอาจจะเขาปิดชารณนาว่าแบบร่างกายไม่ใช่ของเราแต่ว่ามันมันไม่หวหรือเปล่าเพราะอาจจะแบบมีมาแรงเกิดคุณอะไรแบบนั้นคือร่างกายเราเราก็ต้องดูแลรักษาไปถ้าเรายัางต้องใช้ร่างกายครับเหมือนรถยนต์ที่เราถ้าเรายังต้องใช้รถยนต์เราก็ต้องรักษารถยนต์ไม่ช่วยปล่อยให้มันพังไปนะครับร่าง ก, กายถ้าเรายัางต้องใช้มันอยู่เราก็ต้องรักษามันป้องกันมันครับ แต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นท่าระหันแล้วเราไม่ต้องใช้ร่างกายนะ ม, มันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นตาก็ไม่เป็นปัญหาเลยครับพรมพุท คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะคนที่ไม่สร้างทั้งบาปทั้งบุญไม่ถือศีลตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรครับจะตกนรกไหมครับการที่ไม่ถือศีลลูกที่ไม่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ยามท่านเจ็บป่วยลูกคนนั้นจะไปตกนรกหรือเปล่าครับขอบพระคุณครับคือก็อยู่ที่การทาบุญทาบาปถ้าทาบาปมากกท่าทบุญก็จะไปตกนรกถ้าทาบุญมากกว่าทบาปก็ไปสวรรค์ ส่วนเรื่องการไม่เลี้ยงดูพ่อแม่นี้ก็ถือว่าไม่มีความกระตันอยูแต่ยังไม่ถือว่าบาปเพราะยังไม่ได้ไปทําร้ายพ่อแม่เพยียงแต่ไม่ได้ทําบุญกับพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็จะไม่ได้บุญไม่ได้ไปสวรรค์คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ มีคนบางคนเคยสาบานว่าสงดเล่าเข้าพรรษาแต่อยากถอนคำสาบานสามารถถอนได้ไหมและจะต้องทำอย่างไรครับก็ได้ก็เวลาตั้งสาบานไว้ก็เปลี่ยนทักก็บอกว่เปลี่ยนขอเปลี่ยนคำสาบานใหม่ต่อไปนี้ไม่ไม่ไม่ทำแล้วตามที่สาบานไว้ก็จบ คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะเมื่อกี้ที่มีคําถามสาเหตุของความอยากเกิดจากความหลงความคิดเป็นเพียงเครื่องมือทําอย่างไรจึงจะหายหลงคะเองศึกษาธรรมะจากพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วสอนคำสอนของพระเจ้านี่เป็นความจริงไม่ใช่เป็นความหลงถ้าเราเรียนรู้จากพระพุทธเจ้พพธธาพระเจ้าก็จะสอนให้เราคิดไปในตามความเป็นจริงที่ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา เราก็จะได้ไม่ไปคิดอยากได้พอเราไม่คิดอยากได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์คำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะโยมตั้งใจว่าช่วงเข้าพรรษาจะนั่งสมาธิเช้าเย็นอยู่ๆเกิดอาการปวดสะโพกแล้าวลงขาหมอบอกว่าเป็นอาการของหมอ น, มอนรองกระดูกอักเสบทับเส้นประสาทไม่ควรนั่งขัดสมาธิโยมนั่งเก้าอี้ทําสมาธิจะผิดศัจธรไหมคะไม่ผิดหรอก ถ้านั่งจะนั่งแบบไหนก็ได้ถ้าเรายังมีการนั่งสมาธิอยู่หรือยืนสมาธิแทนก็ได้เดินสมาธิก็ได้เดินสมาเดินเดินสมาธิก็คือการเดินจงกรมนั่นเองให้เรามีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งก็ถือว่าเรากาลังปฏิบัติธรรมอยู่ คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะมีตะขาบเข้ามาในบ้านเราเกิดความกลัวตกใจที่ตะขาบตายเราบาปไหมครับบาป คำถามจากทาง Inbox ค่ะตอนนี้รู้สึกทุกข์ใจมากกับแรงกดดันจากคําพูดและการกระทําจากคนที่ไม่ชอบเราเขาสามารถหาเรื่องว่าและทำหนิเราได้ทุกวันไม่หยุดเลยช่วงนี้ที่ผ่านมาพยายามเข้าใจในมุมมองแต่จนวันนี้เราไม่สามารถมองเขาอย่างเข้าใจได้เลยเราไม่สามารถมองเขาในมุมบวกได้เลยเราทั้งทุกข์ใจและมีอาระมณ์โมโหรุนแรงกับคนรอบข้างด้วยค่ะไม่ทราบว่าตัวข้าพเจ้าควรวางใจและฝึกใจยังไงให้มี กับคําพูดและการกระทําของเขาเราไม่สามารถเลี่ยงได้เนื่องจากเป็นลูกเลี้ยงและยังต้องอาศัยอยู่ด้วยกันค่ะและทุกครั้งเราอาธิบายเขาก็ว่าเราเถียงเสมอค่ะพรจะพุทธเจ้าบอกให้เรามองทุกอย่างว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปควบคุมไปสั่งดินฟ้าอากาศไม่ได้เราก็ไปสั่งคนอื่นไม่ให้เขาพูดหรือไม่ให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ เราก็ปล่อยให้เขาพูดปล่อยให้เขาทาไปเท่านั้นเองเราอยู่เฉยๆเราก็จะไม่เดือดร้อนพัญหาของเราคือเราไม่ยอมอยู่เฉยๆของเขาพูดไม่ดีเราก็โกรธอยากจะให้เขาพูดดีเพราะฉะั้นเราต้องตัดความอยากของเราแล้วเราจะไม่ทุกข์เราต้องมองว่าเขาเป็นดินฟ้าอากาศเป็นมันดินฟ้าอากาศแล้วเราก็จะอยู่กับเขาได้อย่างสบาย คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะเมื่อเกิดการเจ็บป่วยนั่งสมาธิแล้วไม่รู้สึกสลดสังเวชกับการเวียนว่ายตายเกิดแต่กลับรู้สึกว่าเราโชคดีที่ได้สั่งสมความดีในอดีตมาจนปัจจุบันแล้วใจอิ่มฟูยวมรู้สึกแบบนี้ถูกหรือผิดขอพระอาจารย์แนะนำเจ้าค่ะมันก็ถูกฮะแต่ถ้าจะดูามากกว่า น, นี้ก็ต้องเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดก็นำมาสู่การเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยุติการเป็ว่ายตายเกิดดีกว่าคำถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะอาหารมื้อเย็นไม่รับประทานได้เพราะไม่หิวแต่ทานด้วยความเคยชินหรือความอยากกินถือเป็นกิเลสไร้แรงไหมครับก็มันจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติถ้าเรากินมื้อเย็นเสร็จเราจะไม่นั่งสมาธิมันก็จะหลับมันจะไม่อยากจะนั่งก็จะเป็นนิวรเนี่ย จะทำให้เราการปฏิบัติเราไม่ก้าวหน้าถ้าเราไม่กินมื้อเย็ยนได้ทั้งหลังจากเที่งวันไปแล้วนี่ใจร่างกายเราก็จะเบาจะไม่ง่วงจะ ป, ปฏิบัติได้หลายชั่วโมงก่อนถึงเวลานอน <c oughs> คำถามจากทางท่านเดิมนะคะอาหารมื้อเย็นถือเป็นมัชฌมาได้ไหมครับมัชฌมาหรือมันอะไรเขา เขาเขียน okay, okay. okay. มัดมอมา้าไม่เห็นอากาศจาชอจานเฉเฉาะชิงมอม้าสราะอาคะ่ะทามัติมาก็คือทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทามัติมาของอุตจาวก็คือไม่กินหนังอยากเที่ยงวันไปแล้วถ้าหนังอยากเที่ยงวันก็ถือว่ามากเกินไปวันได้ยังคะยังไม่มีคาถามค่ะ รอยากจะถามอีกไหมเข้าม า, า, มาไม่มีลยคำถามจากทาง YouTube ค่ ะ, คะปฏิบัติจนละความคิดได้แล้วในตอนนี้ภาวนาพุทโธจนกระทั่งลมหายใจละเอียดและเบาจนเหลือแต่คำภาวนาเคยออกมาสังเกตเวทนาจนก็เคยออกมาสังเกตเวทนาจน ไม่มีทุกข์ทางกายและรู้สึกว่าปิติที่ได้ที่ได้ก็เป็นเพียงสุขชั่วคราวเราควรภาวนาหรือไปต่ อ, อยังไงครับก็ควรภาวนาให้จิตนิ่งสงบให้ทุกอย่างหายไปแล้วแต่ความว่างเพราะนั่นคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเกิดจากใจที่สงบนิ่ง ถ้ายังไม่สง บ, บนี่ก็ต้องภาวนาต่อไปวันแล้วเหรคะค่ะตอนนี้ยังไม่มีคําถามค่ะมีจะถา ม, มาอะไรป่ะเข้ามาเมื่อสักครูน่นี้พระอาจารย์บอกว่ารักเงาของกิเลสก็คืออวิชชาใช่ไหมเจ้าคะ่ะทีนี้เนี่ยเอถ้าเกิดสมมติว่าเราทําสิ่งที่ตรงข้ามกับวิชาก็คือวิชชา วิชาก็คือปัญญาถูกไหมคะก็คือไตรลักษณ์วิชาก็คือไตรลักษณ์คือปัญญาที่จะรอบรู้สิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดเราจะกดปุ่มระเบิดเติรก็คือต้องมีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดใช่ไหมคะใช่ถ้าเราต้องการตัดทีเด็ดให้หมดไปจากใจตัดความหลงให้หมดไปจากใจก็ต้องเห็นไตรลักษณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าส่งสอนเป็นขั้นสุดท้ายก็คือศีลสมาธิแล้วก็ ปัญญาคือธงชัยสูงสุดที่เราจะต้องมีเพื่อกดปุ่มระบบท อ, อย่างให้มันพังทลายที่มันเป็นสิ่งไม่ดีใช่เพราะก่อนที่จะไปถึงปัญญาได้เราก็ต้องผ่านด่านต่างๆไว้ก่อนนั่นเราจะเข้าไม่ถึงตัวปัญญาได้กราบ ข, ขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบนะัิการพระอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงความว่างลูกคอยทราบแนวทาง ประโยคที่บอกว่าการพิจารณาสุญญาตาเป็นอารมณ์เนี่ยเราในฐานะคารวะที่เป็นผู้ปฏิบัติเบื้องต้นมีแนวทางการเดินไปสู่เส้นทางนี้อย่างไรคะแนวทางก็คือสตินั่นเองหยุดความคิดนั่งเฉยๆนั่งหลับตาหยุดความคิดพอจิตหยุดความคิดจิตนึง่งใจจิตก็จะว่างขึ้นมาเน้อแต่ความว่างเราไม่สามารถพิจารณาสั่งให้มันเกิดขึ้นมาได้เราต้องใช้สติเป็นตัวหยุดความคิดพอหยุดความคิดแล้วใจก็จะว่างขึ้นมา คำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะเราไม่สามารถตัดความโกรธได้ในทันทีทันใดต้องทำยังไงคะก็เวลากรธก็ใช้พุทธโธบริกรรมพุทธโธพุทธโธไป <c oughs> หรือแผ่เมตตาท่านสอนให้เราให้อภัยเวลาใครก็ทำให้เราเสียใจทำให้เราโกรธก็ให้อภัยเขาอย่าถือโทษก่อนเกินกัน แล้วถ้าอยากจะให้มันไม่เกิดก็ต้องไปไปหยุดต้นอย่างต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากอยากให้เขาทำอย่างนั้นอยากให้เขาทาอย่างนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นไปตามความอยากเราก็โกรธเขาขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากในการกระทำของเขาเขาจะทำอะไรเราก็จะไม่โกรธเหมือยังยงมีอยู่ค่ะค่ะคำท้าเลยค่ะคําถา คำถามสุดท้ายจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะคำกล่าวที่ว่าทําบุญไม่ได้ช่วยลบบาปได้หากเราเคยทําบาปไปแล้วแล้วทาบุญจนรู้สึกว่ามากกว่าบาปแล้วเรายังจะต้องชดใช้บาปอีกใช่ไหมครับก็ต้องต้องรอให้บาปมันมากกว่าบุญก่อนบาปกับบุญนี่มันเป็นเหมือนคู่ชกักกะเยากัน ถ้าภายในมีแรงมากกว่าก็จะดึงไปฝ่ายทา ง, งนั้นถ้าบุญยังมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงจิตไปรับผลบุญของการแต่ถ้าบุญน้อยกว่าบาปเมื่อไหร่บาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะดึงให้ไปรับผลบาปต่อไปโอเคนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจิารณาไปปฏิบัติ